กายทิพ์มีอวัยวะภายในเหมือนกันเพียงไรมิสหายบางท่านในโลกมนุษย์เมื่อได้อ่านข้อความของข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการบรรเลงดนตรีโดวยวงออเคสตราซึ่งเราไว้ในโลกทิพย์ภาคหนึ่งท่านเหล่านั้นก็มีความสงสัยว่าท่านในโลกทิพย์มีการเล่นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ลมเปล่าออกจากป่าเช่นนั้นแล้วชาวโลกทิพย์ ก็คงจะต้องมีปอดไว้สำหรับสูดอากาศเข้าออกด้วยเป็นแน่และท่านเหล่านั้นก็สงสัยต่อไปอีกว่าชาวโลกทิพย์หายใจกันด้วยหรือและปลอดของชาวโลกทิพย์มีหน้าที่รับเอาออกซิเจนก็ไปฟอกโลหิตให้บริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าปัญหาและการแสดงเหตุผลดังกล่าวมา น, นั้นเป็นเรื่องที่น่าฟังอยู่เหมือนกันขอตอบว่าในโลกทิพย์ก็มีอาการเช่นเดียวกับในโลกของท่าน แล้วร่างกายของเราก็มีปอดไว้สำหรับสูดอากาศเข้าปอดเหมือนกับของท่านและปลอดของเราก็ทำหน้าที่นำออกซิเจนเข้าไปฟอกโลหิตเหมือนกันในโลกมนุษย์อากาศที่ท่านหายใจเข้าไปจะช่วยให้โลหิตบริสุทธิ์และในโลกทิ่เราก็หายใจเอาอากาศอันบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมหวนเข้าไปอยู่ตลอดเวลาดัางนั้นโลหิตของเราจึงบริสุทธิ์อยู่เสมอโดยอาศัยพลังทางจิต ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญยิ่งของอากาศที่รองหายใจเข้าไปอยู่ทุกขณะมาเฮตผู้อ่านขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องของพบภูมิหนึ่งและยังเป็นขั้นตน้ตนๆที่มีความหยาบอยู่มากยังมีอุปาทานในกายใจอย่างเนียวแน่นอานมีปัญหาถามต่อไปอีกว่าถ้าไม่มีอากาศเช่นนั้นแล้วเราจะมีชีวิตอยู่กันได้อย่างไร ขอตอบว่าน่ากลัวจะลำบากเหมือนกันเพราะถึงอย่างไรอากาศก็ทำให้เกิดพลังชีวิตแกเราในทำนองเดียวกันกับโลกมนุษย์ของท่านแต่ข้อแตกต่างมีอยู่ว่าท่านอยู่โดยอาศัยอากาศอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าท่านต้องมีอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วยแต่ในที่นี้เราไม่ต้องการอาหารและเครื่องดื่มเลยโดยที่เราได้กาลังงานมาจากแสงสว่างของภูมินี้และได้มาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในภูมินี้ เช่นได้จากดอกไม้ได้จากสีสันวันณะในที่ต่างๆหรือจากผลไม้ซึ่งถ้าเราต้องการจะรับประทานเมื่อใดก็ได้หรือว่าไม่ต้องการจะรับประทานเลยก็ได้ความสวยงามและสดชื่นของธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเราอยู่นี่เองได้ให้พลังชีวิตแก่เราและทำให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์อยู่ตลอดการและนอกจากนั้นเราก็ได้รับการถ่ายเทพลังจากแหล่งคุมพลังทางจิตอันใหญ่ยิ่ง ซึ่งพระบิดาแห่งสวงสวรรค์ได้ทรงประทานให้กกบเราอยู่ตลอดเวลาพลังนี้เป็นเหมือนกระแสแม่เหล็กซึ่งให้ชีวิตให้ความสดชื่นและให้กำลังงานแก่เรากล่าวโดยสรุปก็คือเราได้พลังชีวิตของเรามาจากแหล่งต่างๆแต่เป็นแหล่งซึ่งเราไม่ต้องลงทุนแต่เกียกตะการแสวงหามาให้ได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากดังเช่นในโลกมนุษย์รอแหล่งต่างๆเหล่านี้อยู่รอบตัวเรา และห้อมร้อมเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะทำอะไรและไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามดังนั้นเราจึงไม่มีวันที่จะอยู่ห่างไกลจากแหล่งพลังงานเหล่านี้และแหล่งพลังงานทั้งหลายเหล่านี้ก็ส่งกระแสมาให้เราอยู่เสมอโดยไม่มีวันขาดตกบกพร่องอากาศที่เราหายใจก็ไม่มีวันที่จะเป็นอากาศเสียและน้าในลำธารในแม่น้ำหรือทะเลต่าง ก็ไม่มีวันที่จะเป็นน้ำเน่าได้เลย